วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองเป็นวันเดือนเพ็ญตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาห้าสองวันพุงนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันพระพวกเราปฏิบัติธรรมทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำสม่าเสมอมาโดยตลอด วันนี้คือคือวันหนึ่งที่พวกเราได้พร้อมกันมาไหว้พระแล้ก็จมาทานศีลแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสําคัญของพวกเราช่วงหนึ่งเพราะช่วงจะสิ้นปีพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดี ชำระกายวาจาใจถึงจะชำระใจไม่ได้ให้บทจดก็ชำระใจในระดับหนึ่งทำความเข้าใจในระดับหนึ่งเพื่อจะรองรับหรือว่าผลที่จะเดินทางไปสู่ปีใหม่คือวันพุ่งนี้แล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ทบทวนการเป็นอยู่หรือทบทวน เรื่องที่ผ่านมาพวกเราได้ทำพวกเราได้คิดได้ทำได้พูดอะไรไปบ้างอันนี้หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกคล้ายๆว่าถ้าว่าพวกเราไม่คิดจะเลยแล้วก็พวกเราจะไม่รู้เราพูดอะไรเราทำอะไรปีที่ผ่านมาแต่พวกเราได้ทบทวนได้ไข้ควรไรตรตรองด้วยเหตุและผลแล้ว จะเป็นทั้งครูจะเป็นทั้งบทเรียนของพวกเราบทเรียนของพวกเราคล้ายๆกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหาว่าเราทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาไว้อันนั้นก็จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นครูของพวกเราว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี้พวกเราไม่ควรจะคิดทำพูดอย่างนั้นอีก แต่ถ้าว่าพวกเราทำดีที่ผ่านมาสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจปีที่แล้วปีห้าสิบสามพวกเราก็ควรจะคิดทำพูดให้เพิ่มขึ้นอีกควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้ทวีคูณแต่ถ้าว่าพวกเรายังทำเมื่อปีที่แล้วยังอ่อนแออยู่ยังน้อยอยู่ปีนี้เราควรจะเข้มงวดกวดขันกับตนเองให้ดีขึ้น เพราะชีวิตของพวกเรามันไม่ถอยหลังมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆให้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราแล้วเราจะหาที่พึ่งเราจะหาเป็นสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตนั้นมันจะหาไม่เจอมันจะคว้านู้นคว้านี้ สรุปแล้วก็คือคว้าน้ำเหลวแต่ถึงยังไงทั้งทางโลกและทางธรรมต้องไปด้วยกันทางโลกก็คือคดีโลกการแสวงหาทรัพย์การเร่าเรียนศึกษาการสั่งสมคุณงามความดีทั้งฝ่ายโลกการศึกษาแล้วก็หาหน้าที่การงานธรรม เพื่อจะให้ทันก้าวโลกทันทันโลกเขาก้าวไปกับโลกเขาทันคือไม่ให้ล้าหลังเขาทําให้ทันกับโลกที่เขามีจุดประสงค์อะไรเราก็ทําในจุดนั้นแต่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของกรอบของกฎหมายบ้านเมืองเขาให้ทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นเราก็เสาะแสวงหาทรัพย์ ไปในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็คือคดีโลกแต่ส่วนคดีธรรมก็ยังพวกเราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้นะเป็นวันพระเนี่ยอันดับแรกเราก็ได้ไหว้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราก็ได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกวัฏสงสารเนี้ยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้จิตใจของเราอยู่ด้วยความสงบผาสุกมนุษย์ทุกวิญญาณทั่วใจโลกกธาดเนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสาัตว์ไปหน่ะเทวปุตเทวดาอินพรมล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ปารธนาเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตัวเองเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องการความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ทุกวิญญาณเขาก็ต้องการความสุขเช่นเดียวกันกับเราเพราะนั้นขอเราได้มีเมตตาเรารตั้งจิตใจเอาไว้ว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกวิญญาณในโลกเนี่ยก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือ เราแผ่เมตตาในจิตใจของเราถ้าคนที่มีเมตตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าหลับและตื่นเป็นสุขจะนอนจะหลับจะตื่นยังไงก็มีแต่ความสุขเพราะไม่มีใครที่จะมาเบียดเบียนเราเพราะเรามีเมตตาเนีย่ยเว้นเสียแต่กรรมเก่าถ้ากรรมเก่าแล้วเรากคนนี้ไม่พ้นพอเราไปทํากรรมเขาไ ว, ว้แล้วเราจะเป็นนี้ได้ยังไง อย่างพระโมคคาราเนี่ยที่ท่านไปฆ่าพ่อแม่ของท่านในอดีตชาติมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็ต้องได้รับกลัมที่ท่านได้กระทําไว้อันนี้คือถ้ากลัมเก่าแล้วหนีไม่พ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลัมใหม่แล้วจะไม่เกิดขึ้นมาได้เพราะเรามีเมตตาเมื่อเรามีเมตตาคนอื่นจะมาทํากับเราก็ทําไม่ได้เพราะเหตุอะไรมันทําไม่ถึงเพราะเรามีเมตตาเรามีเกาะอยู่ แต่ท้าว่ากรรมเก่านั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะเราไปทําให้เขามาก่อนอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ท้าว่ามันเป็นกรรมใหม่เราก็พร้อมที่จะแผ่เมตตาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาได้หนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้มีเมตตาพยาบาทอาฆาตเขากับเขามาก่อนนี่แหละอันนี้ก็คือ ธรรมะในจิตใจของพวกเราเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาสอนให้พวกเรามีธรรมะในจิตในใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งทวนแล้วจะเป็นธรรมพวกเราควรจะศรรึกษาพวกเรา ควรจะนำมาประพุธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราทั้งนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนคนนะสอนพวกเราท่านทั้งหลายสอนเทวดาอินพรหมก็มีอยู่แต่ว่าสอนมนุษย์ม่มากพวกนั้นพวกเราควรจะศึกษาแล้วเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัติแต่บางยุคบางสมัยก็อย่างว่าศรัทธาคือความเชื่อจุดนี้ก็ไม่มี ร่อยหลอลงไปแต่ถึงจะคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเหมือนกับไฟเน่อไม่มีหน้าไม่น่าจะมีไฟอยู่ตรงนั้นไม่เชื่อว่ามีไฟแต่ถ้าเราไปเหยียบเข้าไฟมันก็ไหมเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันกลัมชั่วนั่นถึงคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็เหมือนกับไฟมันจะต้องไหมหรือให้โทษ แกผู้ที่ได้กระทานั้นนี้ก็เหมือนกันพวกเราควรจะศึกษาเอาไว้เหมือนกันว่าจุดไหนคือกรรมชั่วจุดไหนคือกรรมดีสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำหลักของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไว้หมดเพราะนั้นขอให้พวกท่านพวกเราทั้งหลายนะศึกษาแต่ ว, วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ ภาวนาพรอว่าภาวนาเรารู้สึกว่าจะห่างเหินกับพวกเราท่านทั้งหลายการภาวนาหรือว่านั่งสมาธิเหมือนกับเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ตามที่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดก็าตามต้องการความสงบพร่อนเย็นเป็นฉุกทางกายทางวาจาและทางใจอยู่เย็นเป็นถุกอยู่ในโลกพวกเราควรจะทําสมาธิคือทําใจ เพราใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจถ้าว่าใจของเราไม่มีเหตุไม่มีผลใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายใจของเรากระสับกระส่ายใจของเราป่งฟงุ้งซ่านอย่าหวังเลยชีวิตทั้งชีวิตจะมีความสงบลมเย็นเป็นฉุกได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้ทางใจภาวนาภาวนานี่คืออะไร หลวงพ่อก็เคยได้สอนตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแล้วก่อนที่จะนั่งภาวนาถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาโอ้เป็นเรื่องยากมากไม่รู้จะตั้งตนยังไงไม่รู้จะตั้งแถวแนวอย่างไรแล้วก็ไม่รู้จะทำถูกหรือผิดอีกต่างหากถ้าทาไปแล้วได้ยินแต่ว่าเขาว่าเป็นบ้านั่งภาวนาทาแตกยังไ เราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกลัวไปหมดแต่ถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราเรียนเรียนรู้แล้วมันเป็นของที่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาเพราะธรรมะสมาธินี่เป็นเรื่องขัดเกลาของใจดูใจของตนเองเอาสมาธิจับใจของตนเองจะเป็นบ้าไปได้ยังไงถ้าว่าคนไม่มีสมาธินั่นนหะมันจะเป็นบ้าได้ง่าย ถ้ามีสติอยู่กับใจของตนเองแล้วจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เวลาจะคิดจะทําจะพูดอะไรก็มีเหตุมีผลกับคนคนนั้นพูดออกมาก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเพราะว่าพูดออกมาจากใจจริงพูดออกมาด้วยสติด้วยปัญญากั่นกรองเรียบร้อยแล้วจึงค่อยพูดออกมานี่แหละเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกสติ ให้อยู่กับตนเองคนที่มีสติในการเคลื่อนไหวไปมาทุกอริยบทให้เป็นผู้มีสติแล้วคนคนนั้นมองดูแล้วสวยงามจะ ก, ก้าวหน้าถอยหลังดูแล้วก็สวยงามให้ค่าว่าไม่เป็นที่ตำหนิกระโดกกระเดกเหมือนอย่างพระสาลีบุตรท่านเป็นปริภายชคท่านดูพระอาจรยชิ ไปบินทบาทท่านติดตามเดินตามหลังพระอาจชิไปบินทบาทเห็นพระอาจชิเดินเข้าไปรับบาดจากผู้คนแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เดินไปการก้าวเดินของพระอาเจชิคล้ายๆมีสติสมบูรณ์ในการก้าวเดินในการเคลื่อนไหวทุกริยาบทภาษาลิบุตรให้ท่านเป็นท่านเป็นผู้มีปัญญามากท่านมองดูแล้วอื สมมณะอย่างนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนดูดูแล้วไม่ใช่แสแสงที่จะทำแต่ท่านทำมันเกิดมาจากใจจริงของท่านดูแล้วเป็นอกับกิริยาที่สวยงามสมมณะรูปนี้นี่แหละนักปราดท่านมองเพราะนั้นสติอยู่กับผู้ใดใครมองเขาจะรู้ว่าเราเป็นอะไรดูแล้วก็สวยงาม ถามว่าพวกเราขาดสติจะพูดอะไรก็พูดจะห่อเลาะเอื้อกอากยังไงก็พูดไปแบบที่ว่าคนขาดสติอันนั้นดูแล้วก็ไม่สวยงามไม่ถูกต้องไม่ถูกตามหลักธรรมเพราะนั้นสมาธินี่นะที่จะต้องดูตัวเองดูพวกเราท่านทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้อีกเหมือนกันนะอันหนึ่งก็น่าคิดอีกเหมือนกันท่านบอกว่าบุญและว่าชนาะ ไม่สามารถที่จะตัดนิดสัยเดิมได้ถ้่คนนิสยยัยยางไงก็ออกมาลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งใครเขาว่านิสัยดั้งเดิมมันเป็นสันตาลจันรอนมาแต่ดึกดำบันอันนั้นก็แก้ยากนะแต่ถ้าว่าเป็นที่มาเกิดขึ้นมาใหม่ก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้เพราะสติของเราควบคุมอยู่เพราะนั้นท่านจึงให้ฝึก เรื่องสตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะนั้นเรื่องการฝึกสตินั้นเราจะฝึกที่ตรงไหนอย่างไรนีหละจึงจะถูกต้องตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อจะยึดแนวแถวขององคหลวงปู่มั่นเป็นหลักองค์อื่นๆท่านก็สอนเป็นอย่างอื่นแต่พวกเรา เป็นลูกหลานด้ือว่าเป็นลูกศิษยาณุศิษย์ของสายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานเกือบทั้งหมดปฏิบัติตามแนวแถวสายองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอ น, สอนอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราฟังและศึกษาแล้วหลวงพ่อเองอรูบาอาจารย์ท้ามั่นใจว่าหลวงปู่มั่นสอนไม่ผิดสอนทางที่ถูกต้องเพราะเหตุใด เพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านคงจะยึดแนวแถวของพุทธะอีกคือแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านบริกรรมกรรมฐานอะไรท่านกำหนดอะไรในวันนั้นอันนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ยึดแนวแถวนั้นอีกเหมือนกันที่ท่านนำมาประพุทธปฏิบัติมาแนะนาพวกเรามาสั่งสอนพวกเราเพราะนั้น เราได้ศึกษาดูแล้วเรามั่นใจว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพาประพฤติปฏิบัติมานี้เป็นแนวแถวของพุทธะที่แท้จริงพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุใยเพราะพระพุทธเจ้าวันที่ให้ท่านจะได้ตัดรู้ธรรมนั้นท่านนั่งสมาธิอย่างไรท่านกำหนดกรรมาฐานอะไร ท่านนั่งกัจจมาธิปขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือสรรมฐานของพระพุทธเจา้าแต่ท่านหลวงปู่มั่นท่านนํามาประยุกต์ใช้อีกข้นท่านบอกว่าเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่เพียงพอ ควรจะมีคําบริกรรมด้วยให้มีคําบริกรรมโดยสมทับเข้าไปอีกใครๆก่ากำหนดเฉยๆมันจะสลับจิตใต้สํานึกมันจะออกไปอีกได้อยู่ท่านจงให้บริกรรมเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนี่แหละอันนี้ก็คือนํามาประยุกต์ใช้แปกแตกต่างกับกรรมฐานของพระพุทธเจ้านิดหน่อยก็คือให้มีสำทับ บริกรรมพุทธโธด้วยแต่พระพุทธเจ้าชิตตะพระพุทธองค์ที่ท่านนั่งภาวนาที่โคนต้นโพนั้นท่านมีแต่กำหนดลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกเท่านั้นจิตของพระองค์ก็เข้าสู่ความสงบแนบหนึ่องเป็นหนึ่งจากนั้นก็เกิดญาณทัทนะเกิดฌานญาณนัศนะที่ว่าหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกว่า ระลึกชาติผลหลังได้ปุเพในวาสานุสติญาณในวันเดือนหกเพนนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมแต่มาพูดถึงกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเป็นบุพกาจารของพวกเรานะที่สอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาครูบาอาจารย์ ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันโดยมากท่านจะสอนเป็นแนวแถวเดียวกันว่าให้ภาวนาพุโทโธเนะแต่ใครจะยึดกรรมฐานอันไหนก็ได้แต่นี่ท่านสอนเป็นเบื้องต้นว่าให้พุโทโธก่อนแต่ถ้ากรรมฐานพุโทโธยังไม่ถูกยังค่อยศึกษากรรมฐานอื่นต่อไปแต่ถ้ากรรมฐานพุโทโธเนี่ยอยไปยึดกรรมฐานอื่นให้ยึดพุดโทโธเป็นหลักก่อนถ้าพวกเรายึดพุดโทโธเป็นหลักแล้ว นั่นแหละต่อไปถ้ามันไม่ถูกกับจริตยังค่อยว่ากันแต่โดยมากกรรมาฐานกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทนโดยมากจะถูกกับทกจริตทั้งวิตกจริตทั้งโมหะจริตทั้งพุทธจริตที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกเอาไว้ กรรมฐานเนี่ยคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่หลวงพ่อพระพุทธเจ้าที่คืนวันที่ได้ตัดรู้ธรรมท่านกําหนดลมหายใจนี่แหละที่มานี่นี่มาย้อนดูทีนี่มาทําความเข้าใจกับพวกเราลูกหลานคณะทธาญาติโยมทีนี่เวลาจะทําอย่างนั้นเราเป็นครว่าตญาติโยมเราจะทํำยังไงหนึ่งสองสาม อันดับแรกท่าอย่างวันพระอย่างวันนี้หรือว่าเป็นวันไหนที่เราว่างจากงานเราอยู่ในครอบครัวเราว่างจากงานถ้าเป็นไปได้ก็อือวันนี้ทุกวันวันพระหรือวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างเนี้ถ้าพร้อมลูกพร้อมหลานเราก็เข้าไปไหว้พระทานอาหารเสร็จเรียบร้อยทานอาหารตะวันสักหน่อยเอาเข้าไปที่ห้องพระจากนั้นก็ ไม่ต้องจุดทูบเทียนหรอกจุดทูบเทียนมันอบวนทำให้ลืมดับเดี๋ยวก็ไฟไม่ห้องพระไม่ต้องจุดทูบเทียนก็ได้เอาขันห้าเนี่ะขันห้า ค, คือมือห้านิ้วของเราเนี่ยนั่งคุกเข่าแล้วเอากราบกราบสามครั้งไม่ใช่กราบสามครั้งเฉยๆนะแนะนำให้ลูกหลานเรา ก, กราบครั้งที่หนึ่งให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธ เ, เจ้าหลวพุทโฆ กราบครั้งที่สองให้ระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมโมกราบครั้งที่สให้ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนะี่ยคือพระสงฆ์เนระียกว่าสังโฆกราบสามครั้งคือพุโทโธธรรมโมสังโฆยังแถมข้อพิเศษนิพพานังอีกต่างหากนะ ข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธีไม่ได้กราบเพื่อยอย่างอื่นกราบเพื่อหวังพระนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะขอไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกนิพพานังแถมท้ายอีกประการพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังและลึกถึงพระนิพพานอีต่างหากและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังล้ำลึกถึงพระนิพพาน ดับสนิทกิเลสอีกต่างหากเพราะนั้นเวลาเรากราบพระสั่งบอกลูกบอกหลานบอกใครก็ตามอย่าไปบอกว่ากราบสามครั้งกราบสามครั้งมันไม่เกิดประโยชน์เลยกราบปลวกปลวกแล้วกระจบไม่รู้กราบอะไรกราบสามครั้งกราบเลขสามใช่ไหมกราบสามทีใช่ไหมกราบอะไรล่ะไม่มีความหมายเพราะนั้นเราต้องบอกว่ากราบพระพุทธเจ้านะพระธรรมประสงค์นะกราบนี่นะพุทโธทัมโมสังโธอันนี้คือกราบพระ พอกราบเสร็จแล้วแล้วก็กล่าวสรรเสริญเท่าที่เราได้เรียนมาอลหงังสมาสะโปโธแล้วก็กราบสวาคาโตแล้วก็กราบสุปฏิปโนแล้วก็กราบอันนี้เรากราบไม่ได้ไปกราบอ้อนวอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่กราบสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างไรต่อเราอย่างไรอันนี้คือเรากราบ พากันไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นถ้าเป็นไปได้แล้วก็แผ่เมตตานะอาหารสุกิโตโหโมินิตุโขโหโมิอย่างนี้หรือว่าแถมท้ายว่าสัพเพสัตตาสดาโคนตุเวลาสุขชีวินโนนะอันนี้เราแปลให้กันฟังจากนั้นก็เอา้าพอเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งคุกเขาก่าก็ได้ จะนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่โดยมากพ่อแม่กูบาอาจารย์ของเราท่านให้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิทำไมท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิท่านบอกว่านั่งพับเพียบมันหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจะนั่งไม่ได้นานมันกดทับทางด้านไหนด้านหนึ่งถ้าว่านั่งขัดสมาธินี่มันตัวตรงมันทรงในร่างกายมันทรงตัวมันตัวตรง จากนั้นกอน็อย่าทำให้หลังค่อมพยายามยืดตัวให้ตรงพอสมควรแบบสบายๆอันนี้ก็คือนั่งสมาธิแล้วถึงเข้าสมาธิและณนะที่นี่ที่แรกเราไหว้พระก่อนพอไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ห้องพระเนี่ยเราจะนั่งได้ไหมหลวงพ่อจะว่าอีกได้ทางเราอยู่นักสถานที่ใดก็ตาม เราไปนั่งจะสถานที่ใดก็ตามไปเฝ้าคนเจ็บคนป่วยหรือไปทําธุระการงานถ้าเราอยู่นั่งตามมาพังเงียบๆไม่มีอะไรเราก็นั่งสมาธิได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเพียงฟ้าก็ได้นั่งรถก็ได้ถ้าเราไม่ได้คุยกับใครเรานั่งรถก่อเราก็หลับตาบริกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้เพราะนั้นการภาวนาไม่ได้เลือกการส ถ, ถานที่ไม่ได้เลือกว่าตรงนั้นตรงนี้ตรง เวลาไหนเวลาก็ไม่ได้เลือกเวลาอีกต่างหากพร้อมเวลาไหนจบเวลาไหน ว, านว่างเวลาไหนเราก็บริกรรมบรเวลานั้นทำสมาธิในเวลานั้นภาวนาในเวลานั้นเหมือนกับความตาย น, น่ความตายไม่ได้เลือกว่าสถานที่ไหนนะให้พวกเราคิดคิดดูก็แล้วกันขึ้นรถขึ้นลาเคึ้นขึ้ น, น, นบินกินอาหารไปอยู่วัฏฏานที่ใดนอนหลับ พร้อมที่จะตายในทุกเวล่ำเวลาเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละไม่ได้เลือกการสถานที่เหมือนกันเราจะภาวนาเราละลึกได้ขึ้นเมืออ่อไหรเราก็ภาวนาในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเราทําการทํางานอยู่แต่เราละลึกได้อื่นเราควรจะภาวนาแล้วก็ภาวนาไปด้วยกําหนดไปด้วยผิดผิดทุ ก, ท ก, ก, กๆุกตกตกรนรนไปด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะขณะที่เราทํางานแต่ถึงยังไงดีกว่าเราคิดปงุงฟุ้งซ่านไปทางอื่น ให้เราลึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็ทํางานเราลึกถึงการสวดมนของตัวเองด้วยกว็ได้หรือเราจะสวดอิทธิปิโสสวะคาโตสุปติปันโนด้วยกว็ได้หรือจะบริการพุทโธพุทโธด้วยก็ได้หรือเราจะทําให้สติอยู่กับตัวเองขณะนี้เราทําอะไรอยู่ขณะนี้เราคิดอะไรอยู่ขณะนี้เรากําลังทําอะไร ให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่ทำงานการก้าวเดินการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็คือว่าจัดภาวนาเหมือนกันถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองอันนั้นคือภาวนาถ้าเรานั่งจุกปกุกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแต่ใจของเราไม่ได้อยู่กับตัวเองคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ปุ่งฟุ้งสั้นไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นไม่จัดว่าเป็นสมาธินั่งเฉยเฉยไม่ใช่นั่งสมาธิ ถ้านั่งสมาธินั่งปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้เข้าใจตามนี้วิธีปฏิบัติถ้าเรานั่งเป็นอยู่ในบ้านในเรือนของเรามีลูกมีเต้าหลายคนแล้วก็ฝึกหัดนั่งสมาธิพวกลูกหลานลูกนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเรียนหนังสือก็เก่งนะเพราะจิตใจของเราเป็นสมาธิแต่ใจของเราปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกแล้ว การเรียนการจําจดจําอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจของเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราจะเรียนจะศึกษานั้นความจดจําไม่เหมือนนั่งสมาธิถ้าสมาธิของเราดีทําอะไรมันก็ดีไปหมดเพราะฉะนั้นทุกคนจะฝึกเรื่องสมาธิถ้ามีพมีสติอยู่กับตัวเองแนละ้วไม่เป็นบ้าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้นะ ถ้าจิตใจปล่อยจิตปล่อยใจเออแล้วเฮ้ยลอยลมคิดปุงฟุ้งประเดืน่นอั น, นันแปลว่าล่อแหลมแล้วเกิดว่างั้นอ่ะเพราะฉนั้นเราควรจะสั่งสอนลูกหลานของเราเวลาเข้าห้องพระเสร็จแล้วก็เฮาฝึกหัดนั่งสมาธินะลูกหลานนะนั่งอย่างที่หลวงพ่อพูดนะนั่งต่อหน้าพระประธานเรียงแถวกันเลยไม่ต้องจุดทูบเทียนอย่างที่ว่าน น, นะไปห้องพระไม่ต้องจดุดถ้าจุดเข้าไปแล้วมันจะเอเราลืม ดับไฟในอันตรายต่อบ้านของเราอีกต่างหากอย่าฝึกสอนให้ลูกหลานจุดทูบเทียนในห้องพระเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้รอบคอบเราให้มองเหตุผลถ้าอยู่ในศาลาอยู่ในที่โล่งก็ไม่เป็นไรแล้ว จ, จุดจุดแต่ก็จุดพอประมาณไม่ใช่ว่าจุดจนอบอวนไปหมดควันคุ้งไปหมดพเพือเผยจะจุดเข้าไปแล้วจะเผาสลาอีกต่างหากไม่ใช่อย่า ง, งานั้น ทำอะไรต้องใช้ปัญญาจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นัน่งสมาธิสัก10นาที20นาทีหรือนาทีก็ยังดีวิธีการนั่งสอนลูกสอนหลานเขาต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานนั่นะจะเป็นคนลูกหลานที่มีศีลมีธรรมมันก็พูดง่ายสอนง่ายเข้าใจง่ายและลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่อีกต่างหากแต่พ่อแม่ไม่สอนเรื่องศีลเรื่องธรรม มีแต่สอนลัอย่างอื่นให้แก่เขานใหญ่เขาใหญ่ขึ้นมากับเป็นเด็กที่แข็งกระด้างเป็นเด็กที่ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยควรจะสอนนะสอนเด็กเพื่อสอนไปแล้วบอกไปแล้วนี่ยมันจะเป็นบุญคุณเขาจะรู้บุญคุณแต่ว่าคําพูดคํานี้ขึ้นมานพวกเราก็คงจะคว้าหูเหมือนกันเอ๊ะเราทํามาระหวังให้เขาตอบแทนอย่างนั้นเหรอ อันนี้เราคิดว่าเราไม่น่าจะหวังตอบแทนอย่างนั้นนะอันนี้มันพูดได้แต่ว่าส่วนลึกของมนุษย์แล้วต้องพึ่งพาอาศัยกันพ่อแม่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกลึกๆเหมือนกันนะลูกก็ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่เหมือนกันในเมื่อเขามีลูกมีเต้าต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกของเขาเราก็ต้องพ Extrem ึ<ต>่งพาอาศัยกันมันเป็นทายาทนี่แหละถึงจะพูดหรือไม่พูดก็ตามแต่ว่าส่วนลึกแล้วมันพึ่งพาอาศัยกันถึงจะไม่ใช่ ลูกหลานของเราก็เต๋ะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยดีอย่างพระในวัดของพวกเราคืเหมือนกันอยู่ด้วยกันจะไม่พึ่งพาอาศัยกันเหลือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะพึ่งพาอาศัยใครใครจะเป็นผู้ดูแลพวกเราเนี่ยนี้คือเหมือนกันเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยดีนั่นแหละนี่แหละเจนี้เราต้องฝึกเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของครอบครัวของเรานะเราก็ต้องไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาห้าหนาทีสิบหน้าที่วันสำคัญเราควรจะฝึกเมลานั่งสมาธิเสร็จแล้วเออเอาหายใจเข้าพนะุทธนไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตนะให้สติให้ความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุ ท, พทโทเทนี้พอประมาณแล้วคือออกออกจากสมาธิก่อนที่จะออกจากสมาธิท่านี้ท่านให้แผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาคืออะไรคือว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นใจดวงอื่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นค่อยออกจากสมาธินี่แหละอันนี้คือทำเป็นจิตจลักษณะนะแต่ถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราไม่พร้อมถังขนาดนี้เราทำได้ไหมได้เรานั่งอยู่เก้าอีเราคอยไปชุมเขาเนี่เราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกาหนดพุทโทพุทโท หรือว่าพักเที่ยงอย่างนี้ไปทําการทํางานเราไม่ได้ไปทานอาหารเรานั่งพักเที่ยงอยู่ตามลําพังอยู่ในร่มต้นไม้อยู่ที่ไหนก็ได้นั่งสมาธินั่งเก้าอี้ที่ไหนก็ได้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทําจิตใจให้พักผอ่อนล้วนแล้วจะเป็นคุณประโยชน์สําหรับตัวเองทั้งนั้นวิธีการฝึกสมาธิไม่ใช่ว่าจะเข้ามาวัดจะก่อนจะค่อยฝึกแต่ละครั้งถ้าไม่ได้เข้าวัดก็เลยฝึกไม่ได้ไม่เคยฝึกเลยอันนั้นไม่ได้นะ เราอยู่ในสถานที่ใดเราฝึกได้ทุกแห่งทุกคนเหมือนกับความตายนเนี่ะไม่ใช่เข้ามาวัดจะก่อนจะค่อยตายไม่ใช่แล้วยู่ที่ไหนก็ตายได้เราไปที่ไหนก็ตายได้พระก็เหมือนกันออกไปข้างนอกภาวนาได้เป็นได้นั่งในรถก็ภาวนาได้จะไปที่ไหนก็นั่งภาวนาได้เราไม่จําเป็นต้องนั่งเดินก็ได้ยืนก็ได้ให้อยู่ในอริยบวทไหนยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ บอกกำหนว่าให้นั่งซะ ก, ก่อนยังค่อยภาวนาได้ไม่ใช่อริยบทสยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นนั่นะคือภาวนาเนีเวลาเรานั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราจะก้าวเดินข้อหนึ่งสองสามสี่ยังไงคือถ้ามีเวลํวลวลาวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระแล้วก็ไหว้พระก่อน 阿拉หังสวะขะโตสุปฏินโมนัมโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังและกระแผ่เมตตาจากนั่นก็นั่งสมาธิถ้าเราอยู่ตามลําพังเถึงถ้าอยู่ตามลําพังก็ไหว้พระสกอร์阿拉หังสวะขะโตสุปฏิโปนโนแล้วก็นั่งภาวนานั่งอัพุทโธพุทโธห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทียังค่อยพักนอนแล้วตื่นนอนขึ้นมาเลยก็ไหว้พระสก่อนกราบพระสก่อนกราบหัวนอนนั่นแหละ พระพุทธเจ้ากราบคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณอยู่ทุกแห่งหนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่กับพระพุทธลูกเท่านั้นไม่ใช่อยู่ในห้องพระเท่านั้นคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณของบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ของเราก็อยู่ในใจของเรานัเนน่ะพ่อแม่อยู่ในใจของเราเราลึกถึงพระคุณของท่าน เราจะทดแทนบุญคุณของท่านอย่างไรอยู่ในใจของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไหว้พระก็ดีเราเ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเราเลึกถึงพระกุลของบิดามารดาก็ดีอยู่ในใจของพวกเราทั้งนั้นแหะจากนั้นเราก็นั่งเราจะยืนเราจะเดินก็ให้มีสติอย่างที่ว่าน น, ะนี่แหละวิธีการภาวนาไม่ยากง่ายนิดเดียวถ้าเรารู้จักวิธีการนะแต่ต่อไปท่านี้เราเอาจริงจังนะท่าต้องจะทํำยังไง ถ้าเราจริงจังออย่างเรามีเวลาว่างอย่างมากที่เราจะฝึกขัดจริงจังเลยถืเราก็อนั่งภาวนาพยายามนั่งให้นานที่สุดทีนี้กำหนดลมหายใจเอาอย่างที่ว่านั่นแหะแต่ก่อนเราเพียงแต่ว่าให้รู้จักแนวทางให้รู้จักวิธีการทําวิธีจัด ก, การนั่งสมาธิมันคิดยังไงใจของเราปรุงยังไงเราก็พอจะรู้ได้นะ ถ้าเราทำํำทำหลายครั้งต่อหลายหนเราจะรู้ได้ว่าใจของเราคิดปุ่งฟุ้งไปทางไหนถ้าเราไม่เคยทําเฉลยไม่เคยนั่งสมาธิเฉลยเราก็ไม่รู้ว่าใจของเราคืออะไรความนึกคิดนั่นคืออะไรความปุ่งฟุ้งไปทางโลกวัตฏสงสารนั่นคืออะไรแต่นี่เมื่อเราฝึกหัดต่อหลายครั้งต่อหลายหนพอนั่งภาวานาเข้าไปเราใจของเราคิดปุ่งฟุ้งไปทางไหนเราจะรู้ได้เออใจของเราคิดเอา้าก ER ็อจะให้มันคิดที่ทนี่ เมื่อมันออกไปคานออกมันรู้วแล้วออกไปทพยายามไม่ให้มันคิดออกไปดูสิจะทํำยังไงพิธีการที่ไม่ให้มันออกไปเนะี่ยทายังไงจากนั้นเราก็เอาบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถให้อยู่กับปลมหายใจเข้าออกแต่มันยังเผลอไปออกอยู่เผลอไผลออกไปได้อยู่ขณะที่เรานั่งไม่ลุอยออกเวลาไหนอันนั้นก็สำทับเข้าสู่จิตใจทีนี้ใจเรานึกคิดเรื่องอะไรเราก็บริกรรมให้มันถียิบ ในจิตใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลึงนะไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางเพียงจะให้อยู่แบบสบายๆแต่ให้มีสติสำทับอยู่ที่ใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือภาวนาเหมือนกันมีสติอยู่กับกํากับอยู่ที่ใจของเราให้มันนิ่งให้มันแน่นไม่ให้มันมันมีช่องว่าง ไม่ให้มีอารมณ์ช่องว่างออกไปข้างนอกได้ให้บริกรรมให้ถี่ยิบในจิตใจของเราอันนี้ก็คือภาวนาเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาการปฏิบัติิเริ่มเบื้องต้นเนี่ยทาอย่างนี้อันนี้แหละคือทางที่ถูกต้องละ่ะเราไปทำในสถานที่ใดเราพูดให้ใครฟังเราไม่ต้องจะทกสถานไม่ต้องคิดว่ามันผิดนะถ้าหลวงทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะอันนี้แหะคือทาง ถูกต้องแหละตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเรามาพิธีการภาวนาเบื้องต้นทำอย่างไงกำหนดอะไรจากนั้นในเมื่อเราเรียนรู้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราได้ศึกษาได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วนั่นแหละทีนี้เราจะรู้กว้างขวางออกไปกรรมฐานมีอยู่4ี่สิบอย่างทีนี้ออกไปแล้วนะทีนี้ อันดับแรกเนี่ยเราจะไปเรียนรู้แตามันสับสนเรียนเท่าไหร่ยิ่งสับสนไม่รู้จะเอาไหนมาปรับปรุงแก้ไขให้กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธเพียงแค่นี้แหละพอถ้าต่อไปเราได้เรียนได้ศึกษาแล้วเจนี้จิตใจของเรามันมันไม่สงบมันไม่อยู่เราควรจะเอานํากรรมฐานไหนมาพิจารณามากําหนดใจขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อันนี้เราก็จะรู้แนวทางละเจนิ จากนั้นกับเมื่อภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบและจะเดินยังไงจะจิตใจมันนิ่งสงบแล้วเย็นสบายแล้วจะทํำยังไงเออให้มันพักอยู่อย่างนั้นก่อนให้มันเป็นสมาธิก่อนถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิมันเข้ายังไงมันจึงสบายในเวลามันออกมันออกยังไงมันออกจากสมาธิมันออกอย่างไรถ้าเรารู้จักวิธีเข้าวิธีออกของสมาธิเวลาจะเข้าเวลาไหนจะกําหนดยังไงให้มันอยู่นิ่งได้ จากนั้นก็เอาเวลามันออกมันออกยังไงถ้าเราเก่งถึงขนาดนั้นนะเรารู้ทางเข้าทางออกของสมาธิได้แล้วจากนั้นต่อไปเดินวิปัชนาทีนี่นะวิปัชนาปัญญาและทีนี้อันนั้นส ม, มัะคือทาจิตใจให้สงบที่จะ ใ, ให้เป็นหนึ่งให้ตรอมจิตของเราไม่ให้ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ให้ไปรับอารมณ์ภายนอกไม่ให้ไปรับอารมณ์เรื่องราวต่างๆให้จิตใจของเรา เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งกาหนดเวลาไหนใจของเราเป็นหนึ่งได้แล้วจะทำยังไงต่อไปแต่ได้ก็นะ บ, บังคับหรือว่านำชักนำลื่นให้มันคิดให้มันคิดให้มันคิดเรื่องอะไรให้มันคิดว่าร่างกายของเรานี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเมื่อเราอยู่ดีมีสุขเราก็คิดว่ามันจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปไม่แน่เหมือนกันนะ อาจจะตกรถตกลาอาจจะไม้ทับอาจจะฉัดกัดด้ือว่าคนฆ่าคนยิงมากมายหลายอย่างที่พวกเราเห็นที่เราไปเผาศพเขานะ่ะคนหนึ่งตายอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยโรคตับโรคปอดโรคอะไรต่อไม่อะไรมากมายที่คนตายเราก็คงจะเลือกตายไม่ได้เหมือนกันอีกสักวันหนึ่งไม่รู้จะตายแบบไหนละที่เราเผาเขามานะ่ร่างกายสังขารเนะี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะ ใจนะ่ะท่นี่พอเรานั่งสมาธิเราดูใจของเราเห็นใจแล้วนะท่นี่ตัวนามธรรมาคือใจของเราเราจะเห็นได้นะร่างกายนั่งจุปปกปุกแต่ใจนึกคิดเห็นได้ชัดเจนเลยท่นี่จิตใจรวมเข้าสู่ความสงบจริงเห็นได้ชัดอกีกร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะี่นั่งอยู่นะแต่จิตใจของเรานะพวกเรามองไม่เห็นกัน ไม่เห็นกันแต่ตัวเองรู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นี่แหละเวลานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบร่างกายก็นั่งจุก ป, ปกแต่ใจคิดนะทีนะ่ะคิดดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างแต่ก่อนเราไม่เคยคิดนะแต่ปัานี้เราคิดนะ่ะคิดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอน เราคิดถึงเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังคือร่างกายของมนุษย์มีหนังหุ้มอยู่มีหนังล้อมรอบอยู่ถ้าเราถลกหนังออกจะเป็นยังไงมันกระดงเถือกไปด้วยเลือดด้วยเนื้อทีนี้ถ้าเอาถลกแกะเนื้อออกทั้งหมดทีนี้สแหะเนื้อออกทั้งหมดเข้าไปข้างในมีล้ำไส้มีตับมีปอด มีเครื่องในเต็มพลุงพลังไปหมดเอาโตกออกดึองออกทัง้งหมดยังเหลือแต่ชี้โครงมีกระดูกเนี่ยร่างกายของเรามีกระดูกใช่ไหมถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เดินวิปัสสนาแล้วนะทีนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเลยนะทีนี้ที่แรกพูดเรื่องสมัตสมัถะคือทําจิตใจให้สงบก่อนแต่ปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเรื่องเป็นเลา่า จะเป็นบ้าเป็นบอกเพราะร่างกายมันหลงร่างกายตัวเองเพราะหลงร่างกายของตนเองหลงร่างกายของคนอื่นเพราะหลงร่างกายขคนอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงการเป็นอยู่หลงประเทศชาติบ้านเมืองหลงโลกหลงสงสารหลงไปหมดทีนี่เพราะอะไรเพราะมันหลงร่างกายว่าจักายนี้เป็นของจิรังถาวรเป็นของมั่นคงเป็นของเราแท้แต่ที่แน่ๆที่เรากําหนดดูให้ดีตาม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายนี่นะมันไม่ยืนานานนะมันมีอะไรที่จะต้องพิจารณาดูข้างในมันมีผมขนเล็ลเบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไช่ใหญ่อาหารใหม่อาล์เก่าอยู่ในร่างกายของเราเนะี่ยดูให้ดีนะใช่หรือเปล่าอันนี้คือเรามาพิจารณาทําความเข้าใจกับใจของตนเองคือผู้รู้ผู้นึกคิดเนะี่ยให้ทําความเข้าใจ เราอย่าไปหลงนะร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องจากเราแน่ๆนะเราจะต้องจากร่างกายนะเห็นไหมเผาไม่รู้กีก่ค น, นมาแล้วปู่ย่าตายายหมู่พวกเพื่อนพวกเราที่ตายไปแล้วมีมากต่อมากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจถ้าเราพิจารณาเรานำทำทำสอนของพระพุทธเจ้ามากําหนดพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงอือใช่ ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราก็ไม่ควรจะยึดมัน่นถือมัน่นเราก็ไม่ควรจะหลงไหลงมงายไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นกับร่างกายตัวเองจนเกินไปควรจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือภาษาใจของพวกเราให้เรานึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อนไรก็คือธรรมะวิปัสนา สมัธะคือทำจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าให้มันเป็นนิ่งให้มันอยู่สงบอันนั้นคือสมัทธะในเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่สงบนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัชนนาในเมื่อเห็นวิปัชนาคลี่คลายดูร่างกายสังขารจนถึงเอาลงไปเผาไฟตายแล้วเผาไฟไมีตะกันดุใจของเราอยู่ยังไง ภูความนึกคิดจะอยู่อย่างไรถ้าไปเผาไฟร่างกายเราไปเผาไฟใจของเราจะอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้เราเจ็บปวดเพราะเราไปให้ความสําคัญร่างกายมันมีทุกมันมีเวทนาเพราะเราไปยึดมันแต่ถ้าเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งร่างกายจะต้องทิ้งจะต้องหมดสภาพของมันใจของเราจะอยู่อย่างไรนี่แหละเทนี่ให้ดูใจล่ะเทนี้ใจของเราอย่าหลงนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะ ถ้าเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนิพพิทานิพพิธาคือความเบื่อหน่ายมันไม่ใช่เบื่อหน่ายที่ไหนนะมันเบื่อหน่ายที่ใจเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราไปรู้จ้ยึดไปทําไมยึดไปกระเทานั้นเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เสื่อมสลายลงสู่ดินน้ําลมไฟทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พวกเรา อย่าหลงโลกอย่าร่วมหลงมัวเมาในโลกอย่าติดข้องในโลกอย่าติดข้องในร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางเพาว่าปล่อยวางปล่อยวางคำนี้คือใจของเราเนะี่ยแหละเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่รู้จะยึดไปทำไมยึดกระดูกเหรอยึดร่างกายเนะกระดางกายมีอะไรบ้างมีดิดมีน้ามีลมมีไฟมีกระดูกมีตับมีปอด มีลําไส้เราจะมายึดนี่เหรอถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วแยกส่วนแบ่งส่วนดูแล้วมันจิตใจก็ไม่รู้จะยึดอะไรอีกเหมือนกันนี่แหละเมื่อใจไม่ยึดร่างกายก็ไม่ยึดกระทั่งใจอีกใจทำไมจึงหลงตัวเองทำไมเราจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะทำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันเป็นขั้นตอนมาอย่างนี้นะเรื่องสมาธิเนี่ยนะ สมาธิวิปัชนาปัญญามันจะมาในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้ท่านอยู่ในปา่าธงพงไพนี่แหละท่านภาวนาทําจิตใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจของท่านสงบแล้วก็ท่านพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะถ้านได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่อง จิตภาวนาเรื่องภาคปฏิบัติใจนะผู้รู้นะใจนะร่างกายนะพวกเราจะรู้ได้เลยทีนี้พอเราได้คิดเราได้พิจารณาเราได้คบไขควรทบทวนเนแล้วอันนี้เป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะจากนั้นเราก็จะเด่นฟังครูบาอาจารย์พูดที่ไหนต่างกล้ามต่างบาระเราก็จะรู้แยกแ ย, กแยะได้เลยทีนี้พอแยกแยะ ก, กันโอปัญญโกติน้อมมหาตัวของเราเลย แต่ที น, นี้พอเราได้ฟังธรรมะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วใจของเราก็จะรู้เหตุตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องทางหลายโลกก็คือโลกเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับโลกเขาแต่ถ้าว่าเราอีกสักวันหนึ่งมันสุดวิสัยแล้วนะเราก็จะต้องปล่อยจะต้องทิ้งมันอีกเหมือนกันนนะัะเราจะไปแบกมันจนถึง ไหนอีกมันจะต้องทิ้งนะเห็นไหมใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเคยเห็นไหมเราจะต้องทิ้งนะนี่แหละอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งร่างกายของเราไม่ใช่ของกิรังทาวดแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ใครอยู่ในสถานะไหนทำดีที่สุดหลวงพ่อก็ทำดีที่สุดพวกลูกศิษย์ลูกหาพระเนนพระก็ทาดีที่สุด คณะสัทธาญาณโยมทุกท่านทำดีที่สุดนะพยายามทําดีที่สุดทําให้ความสบายใจอย่าให้ไปกระทบกระแทกคนให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราทําดีคนนั้นก็ทําดีต่างคนก็ต่างทําคุณงามความดีเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ของใครของเราในใจนะผางพ้นทุกข์ไม่ใช่หาทางนอกนะหาในใจของใครของเรานะในเมื่อเราพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารนะนะั้นเป็นบรมสุข ต่างคนก็ต่างมีความสุขในใจของใครของเรานิพพานนังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของเราวันนี้หลวงพ่อได้พูดเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นวันพระใหญ่วันนี้วันเดือนสองเพนตรงกับวันที่ส1อธันวาหาสองวันพรนี้ก็เป็นวันปีใหม่ ขอให้พวกเราตัอ้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัตินะแต่หลวงพ่อพูดทุกที้พูดเรื่อง9ก้าหนึ่งสองสามสี่เรื่องสมาธินะวิธีการปฏิบัติทำอย่างไรที่หูมงพ่อได้พูดแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเนะี่ยคิดว่าไม่ไม่ผิดก็แล้วกันนะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเราจะเป็นแนะนําคนอื่นต่อก็ไม่ผิดที่แนะนําอย่างที่หลวงพ่อพูดที่วันไหนพอจะ ว่างได้ก็เอาหันเข้าไปอยู่ห้องพระแล้วก็กราบพระไหว้พระจากนั้นก็สอนวิธีการนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรากรรมฐานของหลวงปู่มัน่กรรมนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธถ้ามีมันมีช่องว่างที่จะเล็ดหลอดออกไปได้อยู่บริกรรมให้ถีบยุทพุทโธพุทโธพุทธโธสำทับในจิตใจ รวนแล้วจะเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งหมดนี่แหละเพราะนั้นพวกเราจะปฏิบัติเองก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนลูกหลานของเราก็ให้แนะนำได้แนะนำอย่างนี้ถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นนะ่ะวิธีการเดินโยกมก็ให้มีสติในการเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถไปเรื่อยวิธีกา ร, รินนั่งก็เหมือนกันยืนก็เหมือนกันเวลานอนก่อนนอนกับเวลานอน กพ็พุโทโธพุทโธไปด้วยคนที่ภาวนานอนหลับไปก่อนหลับนะี่ลราพุโทโธพุโทโธเวลานอนไปนฝันก็ไม่ฝันร้ายนะฝันดีไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เวลาหลับต้ะตื่นเป็นสุขคนที่ภาวนานะขอประนั่นขอให้พวกเราทุกลูกหลานทาชายาโยมทุกคนนะเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวนะ ถ้าเราต้องการความสุขความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็แล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพระก็คือเรื่องของพระของท่านเองโยมก็คือพวกเราท่าั้งหลายก็เป็นของเราเองเฉลี่ยแบบกันไม่ได้ใครทํากับคนนั้นอิ่มเหมืมอนกับเราทานอาหารไทยดื่มน้ำกับคนนั้นเย็นอิม่มหายแก่ก็หายได้สําหรับคนคนนั้นถ้าพระดื่มจะไปให้เผื่อโยมอิ่มไปด้วยไม่ได้เลยพระดื่มก่าพระอิ่มโยมดื่มก็โยมอิ่มเหมืนนจะ ทำคําสอนของพุทธเจา้ากลัมคือการกระทําใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วไม่เหลื่อมล้ำกันเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกทานนะประกอบคุณงามพรมีสังสมบูรณ์กุศลของใครของเราต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธินาทีนี้นะพอประมาณแล้วหลวงพ่อก็จะบอกเตือนว่าออกจากสมาธินั่งสมาธิกับกาหนดเมื่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วกับปนมมือขึ้นระหว่างอก ไหวครูสก่อนพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอมือลงเสร็จแล้วก็ บ, บริกรรมเลยจะบอกบริกรรมอันดับแรกก่ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ก, ก่อนก็ได้แผ่เมตตาก่อนจากนั้นก็นั่งบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวกันนะพุทธโธพุทธโธไปเรืย ถ้ามันยังแชลับออกไปทุกงหน่องบริกรมรมม้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไถีเยบในใจของเรา น, นั้นก็ได้เมื่อได้เวลาแล้วหลวงพ่อจะบอกออกจากสมาธิเอาตอบ น, นี้ไปนั่งสมาธินะันที่นี่นะ